อตอนนี้เรากล้าไหมกล้าจะกล้าจนออกจากอาสัตยยะความไม่มีศรัทธาไหมเขาบอกว่าไงหนึ่งวิธีจะให้ศรัทธาเกิดห่างไกลบุคคลที่ไม่มีศรัทธาใช่สองคบหาสมาคมเสพคุนกับบุคคลผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงสฟังพุทธคุณกธรเป็นต้น ก็ฐาที่พรานาคุณของพระผู้มีภาคเจ้าใช่ไหมกันฑกล่าวไว้อย่างเนี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงหนึ่งไม่หลีกหนีจากคนที่ไม่มีศรัทธาเพราะอย่างอย่างต้องห่างไกลจากจิตที่ไม่ศรัทธาด้วยใช่ไหมจิตที่ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยน่ะที่อยู่ในใจของท่านทั้งหลายก็ห่างไกลจิตประเภทนั้นด้วยต้องเพิกจิตเหล่านั้นออกบอกเขา บอกว่าจะไม่วุ่นวายในใจเรามากได้ไห้ใจที่ไม่มีศรัทธาใจที่ทิ้งพระบรมศาสตรจใจที่ทิ้งพระพุทธเจ้าใจที่ทิ้งพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ไล่เขาออกไปก็ห่างไกลจิตประเภทนั้นความรู้สึกประเภทนั้นนี่คือการไม่ครบไม่เสพ็กับอสัตยยะคือจิตที่ไม่มีศรัทธาทั้งหลายเหล่าเนี้ยยิ่งครบก็ท้ายเราเสียหายมานานแล้ว ถ้าให้เราลงทิศหลงทางมานานแล้วทําให้เราตั้งผิดที่มานานแล้วโดยเฉพาะมิจฉาทิมิจฉาทิโมกเนี่ยศรัทธาเทียมทั้งหลายก็ตัดทิ้งว่าอะไรที่ไม่ใช่คําสอนก็ตัดทิ้งไปเอาปัญญามาดัดแปลงแก้ไขให้ถูกใช่ไหมมานำศรัทธามันตรงแต่งั้นมันก็ไปใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ตรงนั้นก็ดีไปกันใหญ่เลยเดี๋นี้ใช่ไหมก็เรียกศรัทธาเลื่อนเพื่อนเลยเดี๋นี้นะครับนะครัยุ่งเลยเดี๋ยนี้ ปิดประตไว้ไม่รู้พุทธเจ้าหรือใครบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดในห้องพัาเนี้ยนะยุ่งเลยเดีเนี้ยนึกหาหน้าพุทธเจ้ากลา่าวไม่ค่อยเจอเลยไม่รู้จะกลัวมกลัวจะฝ่าพันไปถึงพระบรมศาสดานี่โอ้โหผ่านดานเป็นสิบสิบยี่สิบด่านมองเห็นไหมศรัทธามันไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้ยนี่มันไม่มั่นคงไงถ้ามั่นคงเนี่ยพระาศาสดาองเดียวนะพระศาสดาพระธรรมพระญาสง มันก็ชัดเจนเลยเนี้ยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าไม่ใช่เพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้านี่ก็เริ่มแหวกออกแหวกออกใช่ไหมเพราะในโลกใบนี้เนี่ยกระแสต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันใช่ไหมถ้าเราจะเดินดุมดุม ด, มดุมเข้าไปเอาเพชรเนี่ยมันก็ต้องแหวกใช่ไหมจะขุดทองเนี่ยมันต้องใช้ใช้ความเพียรเยอะไหมเนี่ยไม่เคยไปเห็นแถวเพชรชบูรณ์ก็ขุดแถวพิจิตเนี่ยลึกมาก เวลาเขาจะล่อนจะเอาเพชรหนิวแสนยากเยน็นแสนเกนสมัยก่อนชาวบ้านเขาขุดกันไม่เหมือนปัจจุบันนี่บริษัทไปประมูลงานถ้าสมัยก่อนเนี่ยขุดลงไปปุ๊บปุ๊บปุป๊ลึกมากบางคนก็ตายในหลุมนั่นนะต้องการจะได้ทองสักเม็ดกรณีที่เราจะได้ศรัทธาได้ปัญญาได้วิรยิยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้พระพุทธเจ้าได้คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเพียรอย่างคนขุดทองนั่นเอง ไม่ใช่ไม่เพียนนะอยู่ดีๆไม่ใช่ศรัทธาเกิดได้มีทางเลยะจะเกิดยังไงถ้าไม่เพียนใช่ไหมถ้าไม่เพียนที่จะฟังว่ารมอย่างต่อเนื่องจะเกิดได้ไหมไม่ได้เลยต้องตั้งใจด้วยต้องเพียนพยายามด้วยยิ่งเราไม่เคยสร้างอัธยาศัยในกรณีที่จะศรัทธาในพระเจ้าอย่างดีๆมาก่อนเลยด้วยเพราะเราเคยนับถือศาสดาอื่นมาเยอะแล้วในสังสารวัฏฉะนั้นถ้าลองจะเอาคําสอนของสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้ามาบอกเราแยกไม่ออกเลย มันขนาดนั้นแล้วตอนนี้ใช่ไหมจ๊าตรงนี้ข้าพเจ้าขอถวายนมัส ก, การแด่พระธรรมมันประเสริฐที่พระบรมศาสดาทรงเสพอยู่เป็นนิดอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาตัณหามาหนละเป็นต้นซึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อไม่อย่างรู้จึงท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยพบใหญ่อย่างยาวนานนะถามบอกว่าพระธรรมเนี่ยไม่เคยปรากฏในใจของสัตว์อย่างแท้จริงนะมรซีผล4ีนิบาลหนึ่ง ถามว่าพระบรมศาสตร์สดาตรัสที่บอกว่าอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้นอะไรเนี่ยบอกว่าโอ้โหดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยแต่ก่อนเราไม่พบนี่นะแต่ก่อนเราไม่พบสัมมาสัมโพริญานเราต้องท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่อย่างหาที่สุดไม่ได้เอาถ้าพระบรมศาสตร์ดาไม่พบสัมมาสัมโพริญานเนี่ยนะไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผล ไม่ได้รู้อนุตตราสัมมาสัมปวิยาณเป็นพระผู้เป็นภาคเจ้านี่เนี่พระพุทธเจ้าก็จะต้องท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่บางคราวก็เป็นอบายสัตว์นี่บางคราวก็เป็นมนุษย์บางคราวก็เป็นเทวดาบางคราวก็เป็นพรหมท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏอย่างยาวไกลเลยพระองค์ก็บอกบัดนี้เราพบท่านแล้วให้ตันหาหมะตันหาเป็นสมุทยัยสัจจะเกิดร่วมกับกรรมมีกรรมเป็นสหายมีอวิชชา แล้วก็มีอุปาทานทั้งหลายในอดีตนั่นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้มีตัณหาเป็นต้เนเยเป็นตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกสร้างเรือนสร้างอัตภาพสร้างขันพอมันสร้างเบสเซตด้วยความเป็นอุโดยความเป็นปัจจัยนะทีนี้มันเป็นผลผลิตของตัณหาไงตัณหาในอดีตสร้าง กแสขันตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภพพอมาในปัจจุบันภพอวิชาตันหากรรมมันก็มาปิดอีกไม่ให้ออกจากนั้นน่ะมันก็จะสร้างกรรมเพืจะต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเห็นไหมมันก็มาสร้างให้เป็นสมุทัยสัจจะที่จะเป็นในปัจจุบันเหตุอธิเตเหตุมันสร้างเรียบร้อยแล้วปัจจุบันผลก็เกิดมาแล้วการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมามันตามมาอีก ตันหาทุติโยปุริโสบุรุษเป็ น, นมีตันหาเป็นเพื่อนบุรุษผู้หญิงด้วยมีตันหาเป็นเพื่อนสองธุติโยในที่นั้นน่ะมีตันหามาคอยกระซิบบอกเอ้าอยากกินอาหารคุณต้องกินโดยตันหาเนะถ้ากินแบบไม่มีตันหาเดี๋ยวคุณละตันหาได้เดี๋ยวคุณจะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะไม่มีลิ้นในสังสารวัฏแล้วก็อยากได้ลิ้นเป็นอยากได้กายเป็นต้นไหม อ้าดูต้องดูด้วยตัณหานะฟังก็ฟังด้วยตัณหานะดมกลิ่นก็ดมด้วยตัณหากินอาหารก็กินด้วยตัณหาสัมผัสเย็นร้อนก็สัมผัสด้วยตัณหาคิดนึกก็คิดนึกด้วยตัณหาตัณหาก็มาครอบงำมือหกทางเลยรูปปัตนหาสัทธตัณหาคันทะตัณหาระสาวดภพภะธรมมตัณหาก็เป็นไปในกระแสใจทุกวันอย่างเงี้ยเอาสินี่มันเริ่มมาสร้างใหม่กันแล้วใช่ไหมเนี่ย มาสร้างอะไรเหตุในปัจจุบันนะพบที่จะทําให้ได้ตาหัวจมูกเล่นกายใจในทางสารวัตรต่อไปดูมันทําดิอันนี้เขาเรียกเป็นธาตุของตัณหาพระบรมศาสดาบอกว่าต่อไปเรารู้จักท่านแล้วต่อไปท่านจะสร้างเรือนคือสร้างอัตภาพให้เราอีกไม่ได้แล้วเพราะอะไรคงเรือนเราลื้อแล้วยอดเรือนก็วิชาแล้วก็ถอดแล้วก็ลือ้อแล้วก็หักก็ทําลายหมดเสร็จแล้วย่อเย้ยตัณหาได้เลย ตอนนี้เราย่อเยยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพอเผลอเราเรียกเข้ามาเกิดได้ถ้าจะกินอาหารได้ไม่มีตัณหากลัวไม่อร่อยไปใหญ่เลยเนี่ยนยตรงนี้ที่ท่านบอกว่ า, าพระบรมศา ส, าสดาทรงเสพเป็นนิดอันขจัดเสียซึ่งขายคือตัณหาเมียวิชาเป็นต้นซึ่งสัตว์โลกเมื่อยังไม่อย่างรู้อาวิชาเนี่ยธรรมชาติที่จิตที่บอด คือไม่มีตาคือปัญญาเกิดขึ้นก็เลยเอวิชาเป็นอันทสภาวะนี่ไหมเขาไม่สามารถจะแทงตลอดอะไรได้ก็มืดอวิชามันเป็นสภาพที่มืดท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่อย่างยาข้าพเจ้าขออนุมัติการด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติญานัศนะเป็นเขาหมูลด้วยบุญญาเขตขอชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนาด้วยกุศล ท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าพระสัพพัญยูคุณเหล่านี้เป็นอารมณ์แห่งพุทธยานอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการและทั้งปวงไม่ได้เป็นอารมณ์ของญานของผู้อื่นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกล่าวเดพิสดานได้เลยสมจริงดังที่ท่านได้ตรัสเข้าไว้บอกว่าท่านพูดถึงบอกว่าคุณของพระบรมศาสด า, า, า, าไม่มีใครพารานาได้หมดแล้วก็ไม่มีใครสามารถระลึกได้หมดยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ท่านก็เลยกล่าวบอกว่า พุทโธปิพุทธาสาพนยวันนังกัมปัมปิเจอัญยมพาสมาโนขียะทกปโปจิระีขมันเดเรวันโนนะขียะทตาตาคตต า, าแม้หากว่าพระผู้มียภาคเจ้าพึงพรรณนาซึ่งคุณของพระผู้มียภาคเจ้าด้วยกัน ไม่ตรัสซึ่งพระธรรมเทศนาอย่างอื่นเลยตลอดแม้กับหนึ่งกับนั้นย่อมสิ้นไปในระหว่างเวลาอันยาวนานคุณของพระตถาคตหาได้สิ้นไปไม่อันนี้พระบรมศา ส, สดาด้วยกันนี่นะไม่แสดงเรื่องอื่นแล้วแสดงพุทธกุณญาถาแสดงคุณของพระบรมศา ส, สดาอย่ิงเดียวเป็นไปตามลำดับนี่นะกับสิ้นไปแต่คุณของพระบรมศา ส, สดายัางไม่หมด พระบรมศาสดา น, นั้นสร้างบารมีมากหลายร้อยโกดกับใช่ไหมหลายแสนโกดกลับใช่ไหม ย, ยี่สิบอสองไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากลับฉะนั้นจะพละนาแค่กับเดียวจะหมดได้อย่างไงคุณของพระบรมศาสดา น, นี่เป็นอย่างนี้ฉนั้นในกรณีที่เราท่านทั้งหลายศึกษาในเรื่องของคัมภีสัมบาลวิบา่ากว่าจะเป็นพระพุาธเจ้าเป็นต้นเหลานี้เนี่ย ท่านจะกล่าวสรุปประเด็นเขาไว้ตรงนี้ก็คือกลุ่มในเรื่องของภัย ร, รนิทานความปรารถนาเป็นพระเจ้าภายนอกพุทธาศาสนาพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์ปรารถนาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมหาบุรุษใจเพชรนี้ก็ปรารถนาแล้วเนี่ยทนะ่านก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวในเรื่องของอดีตนั่นเขาเรียกภัย ร, รนิทานส่วนอภัพนตรนิทานก็คือความปรารถนาคำานิทานในแปลว่าเหตุนะเขตหในความเป็นพระเจ้านิทานในแปลว่าเหตุ ไดบอกเอนิทานแปลว่าอะไรไม่นิทานเป็นเรื่องเล่าเลยคือเหตุนั่นเองเหตุความเป็นมากว่าการที่ได้ตัรู้เป็นพระเจ้าอัพันตรานิทานประกอบความปรารถนาเป็นพระเจ้าภายในพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ต่อหน้าพระพักคิดไปสิอย่างยกตัวอย่างนี้เกิดมาอย่างนี้ไม่ทันปรารถนาเป็นพระเจ้านี้แต่ไม่ได้ต่อหน้าพระพักนี่เขาเรียกอันนั้นในช่วงของอพันตราณิทานท่านก็จะพารนาเรื่องตรงนี้เอาไว้ซึ่งมาเคยบรรยายไปแล้วนี่เนี่ยามาสรุปตรงนี้ การที่สา ม, มหานิทานอันนี้เป็นมโนปณิธานเจ็อสองไขยต่อหน้าพระพักตร์เป็นเหตุที่ยิ่งใหญ่อันนี้นึกในใจแต่ไม่พูดนี่นะเจ็ดอสองไขนะ่นียเป็นนึกต่อหน้าพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นนึกเลยเราจะต้องเป็นให้ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าองค์เนี้ในอนาคตอย่างเงี้ยนะกว่านั้นะา น, า น, าน้นหลายร้อยโกดกับกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าก็เอานึกอย่างเงี้ยแต่นึกทุกชาตินะเมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ยิ่งนึกใหญ่ไหม นึกคิดนี่ปราโมทปิติประสิทธิความสุขก็เกิดอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกมหานิทานอาติทุเรนิทานก็คือเป็นวจีวานิทานนี้เปลงวาจาเลยอีกเก้าสงไข่ต่อนหน้าพระพักเป็นเหตุในการที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอันนี้ไปเปล่งวาจาในะข้าพเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนี้อีกเก้าสงไข่เปล่งวาจานี้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พยากรณไม่พยากรณ์นะเอางี้ ถ้าเราไปพูดต่อหน้าใครสักครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่พูดอะไรเนี่ยเราแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเราเนี่ยท้อแล้วที่ไปพูดท่านเห็นบา ร, รมียังไม่ไม่พอท่านก็ท่านก็เฉยๆอยงนนะเมียกล่าวเรื่องอื่นให้กําลังใจแล้วก็ว่าไปแต่ไม่พยากรณ์สักทีอย่างเงี้ยนะอีกอีกเก้าส่วนอวิทูเรนิทานเป็นกายวัวจีปณิธานก็คือ เป็นอสงไขยที่ยิ่งด้วยแสนมหากับในต่อหน้าพระพั ก, พกโดยที่ไม่ได้รับพุทธพยากรณ์อีก3พระองค์นะเริ่มตั้งแต่พระตันหังกรเมทางกรตะนากรนี้ไม่ได้รับไม่ได้รับพยากรณ์เลยมาเริ่มได้รับพุทธพุทธพยากรณ์จากองค์ที่14นี่นะก็คือพระทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีนามว่าพระกัสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าอันเป็นที่สุดอันเป็นเหตุแห่งการที่ไม่ไกลตรงนี้ก็อันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็น5ประการนั่นก็นนารายละเอียดมาพูดเข้าไว้ไปแล้ว ตรงนี้ต้องการจะบอกว่ากรณีอย่งการตัดสุขกรณีที่พระบรมศาสดาสั่งสมัตยาใสมานี่ยถ้ามาพิจารณาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาการเห็นคุณของพระบรมศาสดาจะได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญพุทธานุสติการเจริญพุทธานุสติเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทำจิตของตนเองนั้นให้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระบรมศาสดาใช่ไห ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้เกิดศรัทธาในพระผู้มีภาคเจ้าถามบอกว่าพระบรมศาสดานั้นทรงบรรเพนบารมีมาใช่ที่บอกว่าหลังจากได้รับพุทธบยากรแล้วเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับเนี่ยแล้วต่อมาก็คือว่าตอนที่ท่านเกิดเป็นสุเมธาดาบทสำเร็จอภิญญาหตรวจดูโรคโดยที่ประจักษสุตอนนั้นได้โลกิยอภิญญานะ เห็นสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในบายภูมินะคือเห็นสัตว์ที่อยู่ในเวจีเห็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นดสุรกายร่างกายหักแหลกลานสวยทุกเวทนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วตอนนั้นน่ะหาไทยของพระบรมศาสด า, าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะัก็หวั่นไหวหวั่นไหวคําว่าหวั่นไหวในที่นั้นเป็นมหมากรุณาเกิดความสะเทือนหวั่นไหวมาก ว่าสัตว์เหล่านี้ผู้มืดบอดด้วยอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นตันหาประกอบสัตว์ไว้ทําให้สัตว์เหล่านี้ทํากรรมชั่วกล่าวคือบาปอากุโซรธรรมลามกเมื่อจุดตีขณะดับแล้วเนี่ยปฏิสนธิก็ไปเกิดเป็นอบายสัตว์ร่างกายก็ไปแหลกเหลวถูกทุบถูกตีถูกทรมานเยอะเยะเพราะท่านเข้าทิพยจักสูุและท่านเห็นท่านก็เกิดกรุณาเนีฮะไทยก็หวันไหวได้พบพระทีปังกร สละอาราธาผลแทนที่ตนเองจะได้อยู่แล้วใช่ไหมบำเป็นบารมีมาตั้ง16กัรสงขัยแล้ว16กัรสงขัยแล้วตอนนั้นนะ่คือถ้าจะฟังคาถา4บาทคาถาเนี่ยฟังไม่จบ4บาทคาถาบรรลุเลยได้พิญญาหปฏิสัมพิทายาน4ี่วิชาสครบบริบูรณ์วิชา8ได้ทันทีเลยเป็นพาาระลรหันเดินตามพาาระละหัน4ี่แสนรูปในวันนั้นเลยสละอาาธาผลเลยสละทิ้งเลยยัยงไม่ใยดีอ่ะ สละความพ้นทุกข์อ่ะถ้าเราอุปมาอย่างนี้นะแบบอุปมาก็เทียบไม่ได้โดยซ้ำไปเราเป็นยาจกมายาวนานแล้วต่อมาก็จะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติจะมีคนนะแล้วเรามีคุณสมบัติด้วยปัจจัยเพียรพร้อมเบ็ดเสร็จด้วยสามารถเป็นได้ด้วยสละทิ้งเลยขอเป็นยาจกต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้เพื่อจะช่วยคนให้มากกว่าการเป็นจักรพรรดิ อย่างนั้นน่ะอย่างเราจะเอาไหมเนะี่ยยอมทุกทรมานต่อไปแล้วก็ไปสร้างบารมีกับคนไม่รู้อ่ะเขาก็ประทุสลายเอากระทนที่ต้องการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์นั้นได้พบพระทีบังกรสระอัฏผลซึ่งควรจะเกิดขึ้นแน่แท้ในสำนักของพระทีบังกรพระบรมศาสดานั้นนะ่ะปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลเกิดสรรพสัตว์ ต่อหน้าพระพักอีกครั้งหนึ่งเพราะปรารถนาครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมที่ท่านนอนราบกับพื้นเงยหน้าปนมมือนมัสการขอพระโลกนาฏพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมได้พระหลานสี่แสนรูปเนี่ยจงเหยียบข้าวยาวไว้เฮ้เพื่ออนุเคราะห์ข้าจ้าด้วยคือสละชีวิต บอกว่าถ้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยสาวกของพระบรมศาสดา4ี่แ 0,000 รูปทรงเหยียบข้าพเจ้าและจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและแก่สัตว์โลกตลอดอย่างยาวนานช่วยข้ามไปด้วยเถิดสละรล่างกายทิ้งเลยปรารถนาว่าว่าบุญที่ให้ชีวิตเป็นทานในการสละร่างในแค่นี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยขอให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตด้วยเถิด ประกาศออกมาเลยพระบรมศาสดาพระกัสสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยพระทีปังกรนเะน่ยนะเห็นอย่างนั้นแล้วจึงได้รับพยากรไงอันมีประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัพตว์ได้รับพยากรแล้วได้บริจาคใหญ่5ประการที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าบริจาคทรัพย์บริจาคบุตรบริจาคชาญะคือภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตในชาติกันดารอันหาประมาณม่ได้ คือในชาติกันดานชลากันดานปยาธิกันดานมรณะกันดานเนี่ยอันหาประมาณไม่ได้สละห้าอย่างสละมาะอย่างหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้ที่สละอย่างเนี้ยคือ <c oughs> ถ้าเรามานั่งคิดนะว่าถ้าใครจะเป็นลูกพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องกล้าอย่างท่านด้วยถ้าใครจะเป็นภรรยาของโพธิสัตว์ก็ต้องกล้าที่จะยอมสละเงี้นด้วยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงจแต่ที่ท่านสละให้สังเกตดูไหมที่สุจริงท่านช่วยพ้นหมดเลยท่านไม่เอาไว้ทิ้งไว้สักคนเลยเห็นไหม ปริญญาผ่านตามท่านหมดเลยนั่นแหละคือที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นองค์ประกอบเป็นการตัดทรัรุนุตระ ส, สัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่พระพุทธญาองค์เดียวเนี่จะต้องมีบุคคลที่ใจเพชรลองลองลององลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองมาเยอะมากเป็นขบวนเมื่อหือมานะที่เราท่านทั้งหลายจึงได้มีโอกาสนั่งมาฟังพระธรรมกันอย่างสบายๆหลับบ้างฟับ ง, บ, งบ้างเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นเป็นความเพียรของบุคคลที่ยิ่งใหญ่มาด้วยแล้วก็บริวารชนเหล่านั้นใช่ไหมเขาเพียรกันมาอย่างความตั้งมั่นเลย เพื่อเราท่านทั้งหลายไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยเนะี่ยสรุปแล้วเนี่ยห้าสิบยอดนี่เราผ่านมาข้ามมาได้แล้วระยะทางกันดารมีอยู่ร้อยยอดท่านผู้ใดได้เกิดเข้ามาในเกิดมาทาันาศาสนาของพระบรมศาสาศดาปุ๊บเนี่ยนะอันประเสริฐอันนี้แปลว่าย่นระยะเวลาไปห้าสิบยอดเหลือห้าสยอดท่านทั้งหลายต้องช่วยยังไงเหลือห้าสิบยอดที่เราจะต้องพ้นจากชาติกันดารชะลากันดารปยาธิมรณะกันดารเป็นต้นให้ได้ใช่ไหมท่านใน ปุตตมังสะสูที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ในสังยุตตานิทานวักเนี่ยพระองค์จะอุปมาเหมือนกับสามีภรรยาบริโภคเนื้อบุตรใช่ไหมสองสามีภรรยามีบุตรหนึ่งคนพากันเดินทางมีอาหารไปครึ่งหนึ่งเดินทางไปกะจะต้องเดินทางให้ผ่านพ้นไประยะทางร้อยยอดเดินไปได้50ายอดอาหารหมดทํายังไงต้องตายทั้งสมคนใช่ไหม พอต้องตายทั้งสามคนเนี่ยผลปรากฏต้องทํำยังไงปรึกษากันวพี่ฆ่าน้องสิใช่ไหมน้องไม่มีประโยชน์ไม่สามารถทําหน้าที่ภรรยาที่ดีได้ฝ่ายสามีก็บอกพี่เป็นคนหน้าเนี่ยพี่น้องฆ่าพี่เลยได้อุมลูกพาเดินทางโอ้โหไม่ว่าปรึกษากันไปปรึกษากมางั้นฆ่าลูกดีกว่ลูกน้อยอยู่ปรึกษากันเบ็เสร็จใครก็ไม่กล้าฆ่า อยู่คนละมุมเนยะบอกลูกน้อยว่าลูกวิ่งไปหาแม่พ่อร้องไห้ไม่กล้าฆ่าลูกก็วิ่งงอกงอกงอกไปใช่ไหมแต่กนนะ็ร้อนมากกันดารนี่ะร้อนมากเหยียบไม่แคบไม่ได้เลยว่างั้นเถอะอยู่ในล่มไม้วิ่งไปอา้าวแม่ก็ไม่กล้าไปหาพ่อวิ่งไปก็วิ่งมาลูกก็ตาย ใช่ไหมตายตายแล้วทำไงนี่ไงเราจะพ้นได้เพราะว่าต้องกินลกูกอีกห้าสิบห้าสิบยก็เลยต้องจำใจเนี่ยแบกเนื้อบุตรของนเองไปฉีกกินกันปะถามว่าจะกินด้วยความอะไรอร่อยได้ไหมจะสำคัญว่าเรากินเนื้อกินอาหารกินของที่มีโอชา สำคัญได้ไม้มไม่ได้ฉันใดท่านเลยสอนให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือาศาสนาของพระบรมศ า, ศ า, ศาสด า, าเวลาบริโภคอาหารอย่าให้ร้ศาษฎร์ตัญหาเกิดในขณะที่กินสองสามีภรรยาคือเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ใครเนื้อบุรก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เขาฆ่าซึ่งเราไม่ได้ฆ่าเอง ถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาไม่เคยเกี่ยวข้องกันโดยฐานะเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีใช่ไหมแล้วก็กินเนื้อของลูกของตนเองทุกวันทุกวันเพื่อจะเดินทางใช่ไหมะจะกินด้วยตัณหาได้ไหมไม่ได้คิดออกไหมเนี่ยหัวปลานี่อร่อยไหมปลานี่ยอรอนี่กินลูกตัวเองเนไงกินพ่อตัวเองเนีไย ไอเรามันเป็นคนขี้ลืมไงสัญญาเรามันสั้นพอพบชาติทัพถมก็นึกไม่ออกพระบรมศาสดาบอกก็ไม่ก็ไม่เชื่อพระบรมศาสดาบอกว่าที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยฐานะเหล่านี้ไม่มีก็ไม่ยอมเชื่อกันอีกพอกินก็นั่นอีกทีนี้ตรงนี้ไงเมื่อมาเจอพระธรรมของพระุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าย้นระยะเวลาไปห้าสิบยอดที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยเราก็ต้องกินกันเองอยู่เนี่ยนะ มันต้องรีบไหมสังสารวัตมันน่าเจ็บปวดน่ากลัวไหมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยที่เราจะต้องทนกินเอาที่ถ้าเราจะไม่เราจะประมาทแล้วก็นั่งกินกันอยู่เนี้ยแหละเราพ้อมนึกจําได้หน่อยถ้าตอนนี้จําได้กันแล้วก็โอ้นี่พ่อเราแม่เราแค่นั้นเองแต่ถ้าไปถึงคนอื่นเราจําไม่ได้แล้วเพราะสัญญาเราสั้นถ้าไปเป็นอบายสัตว์หนักกว่านี้ยอมเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักพ่อแม่เลยกินกันเองจริงๆเลยเดี๋นี้เอาตรงนี้ ถ้าพ่อตายไปเกิดเป็นศพเราตายไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในศพพ่อจะกินพ่อไหมบางทีเนี่ยยังไม่ทันตายน่ยไปเป็นหนอนในหูพองกินพ่อเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนี้สังสารวัตรเป็นแบบนี้พูดแล้วมันอย่างนี้นั้นในคำเรามาเจอคําสอนเนี่ยแปลว่าย่อระยะเวลาทางเนี่ยเหลืออีกห้าสิบโยชน์แต่ถ้าท่านทั้งหลายประมาทมัวเมานั้นน่ะในสุดจริงๆก็จะยืดไปเป็นร้อยโยชน์อย่างเดิมอย่ ถามว่าเราจะเดินต่อหรือยอมยืดโยดให้มันกลับไปร้อยอย่างเก่าแล้วเดินใหม่เอาไงดีจะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อก็ยึดพระธรรมให้มัน่นศรัท ธ, ธาในพระเจ้าให้ชัดแล้วเร่งเดินเสียอย่าให้ตายซะก่อนในระหว่างที่อยู่ในการดานเนี่ยต้องเร่งให้ทันคิดออกไหมถ้าคิดไม่ออกเอาไปฟังบ่อย คิดหลายๆรอบถ้าอย่างนั้นจะไม่เข้าใจสังสารวัตรต้องเร่งให้ทันคิดออกไหมถ้าคิดไม่ออกเอาไปฟังบ่อยๆคิดหลายๆรอบถ้าอย่างนั้นจะไม่เข้าใจสังสารวัตใช่ไหมเพราะอยากอยาสัญญาซ้ำสัน้นอยากความจําสัน้นมันสังสารวัตรมันยาว แต่สัตว์โลกนั้นตอนนี้ความจําจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าเป็นอวัยวสัตว์จะจํากันไม่ได้กัดกันกินกันทะเลาะกันขนาดเป็นมนุษย์ยังทะเลาะกันแล้วก็ไปทะเลาะกับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานตัวเองได้แท้ทุกวันเนี้ก็นั่งห้าหั่นจะฆ่าจะแกงกันอยู่เนี่ยเพราะสัญญามันสั้นมันไม่ศึกษาคำสอนขอไฟใช้ศพเขาไม่ศึกษาเขาทําคําสอนของพระบรมศาสดาใช่ไหม ถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะไม่ทําถ้าเรารู้เนี่ยเราจะกล้าทํำไหมว่าเราบัทุสไลยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเราทําไมอยไม่กล้าเลยอ่ะแล้วเรากิกนกันแล้วก็โหดร้ายพออยู่แล้วใช่ไหมใช่นี่ไปทบกันแล้วกินด้วยเนี่ยโอโ้ยเรานั้นคนดีทั้งหลายที่ท่านยกตัวยอย่างว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขามีความละอายว่าเป็นลูกใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ฆ้าเขาจะไปกล้า แต่ก็เพราะตนเองนั่นแหละเป็นเหตุทําให้ลูกต้องตายอยูน่นะวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมกินแต่ละคําร้องไห้ไหมร้องไห้ก็เพราะอะไรเนี่ยสังสารวัตรที่ยืดเยืย้อยาวนานนี่แหละเรามันจําไม่ได้เป็นเหตุเพราะเราเพราะเราไงยังยังอยู่ในสังสารวัตรไงเขาก็เลยต้องฆ่าพให้พวกเรากินยินอยู่นี่ พเพราะเรานี่แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาฆ่าเหมือนกันนะถ้าจะพูดไปอย่างนี้นะเร่งรีบออกเสียจากสังสารวัตรเราจะได้ไม่ทนกินญาติพี่น้องกันต่อไปจริงไหมดีไหมคิดออกไหมเนี่ยที่จริงที่จริงอามามาบรรยายอามาก็ไม่ค่อยอยากมาบรรยายเท่าะไรเนียเพราะอะไรรู้ไหมอามาก็อยากจะเป็นเล่งของตนเองเอ่ะเพราะอามาก็กลัวสังสารวัตรเข้าใจไว่า โดยหลักจริงๆเนี่ยมาไม่ค่อยชอบมาบรรยายเท่าไหรแล้วว่ามาก็กลัวมาก็อยากจะเร่งหนีเอาแต่ข้อที่จริงถ้ายมรู้อ่ะถ้ายมรู้แบบนี้จริงๆไงยอมจะอยากอยู่หรืออยากหนีจากสังสาร ว, วัตรถ้าถ้าคนรู้ทางและจะหนียังไงเขาต้องรีบเร่งไหมหลายคนเนี่ยอยากจะหนีแต่ไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมมันไม่มีทางจะเดินไอ้นั้นก็ต้องไปนั่งคิดต้องไปรีบหาข้อมูลเสียเดี๋ยวทางนั้นมันจะวิ่งผิดที่พอวิ่งผิดที่มันวิ่งกลับอีก แล้วมันจะทําให้สังสารวัฏยาวอยู่ไหยยาวอีกแล้วก็มันผ่านมามันก็ยาวกว่าจะเจอพระเจ้านี่เทบแย่แล้วโอกาสนี้จะหายยังไงในตอนนี้จะหายยังไงชีวิตจะหายยังไงลองช่วยดูที่ว่าถ้าตายไปแล้วจะได้เจอพระเจ้าอีกไงมันปิดฉากแล้วชีวิตเนี่ยถ้าตั้งอัตยาสายไม่ดีแล้วลองคิดดูนะเอามาพูดให้คิดเขตใกล้ของปัญญาเราตอนนี้หายไปกระจุยกระจายกันหมดแล้วใช่ไหม สมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาตอนนี้สมาธิเราเป็นยังไงอุปจารสมาธิตั้งมั่นดีไหมอัปนาสมาธิได้ฌานสมาบัตมีไหมเนี่ยโอ้โหจบเลยนี่เหตุใกล้ของปัญญาข้อแรกก็จบเอาข้อที่สองข้อสองนะเหตุใกล้ของปัญญานะอีกข้อหนึ่งก็คือปัญญาทัศกาลไวัยของปัญญาก็คือตั้งแต่ 40- ่สถึงห้ปีเขาเรียกวัยของปัญญาแล้วใครที่ตามกว่า50บ นั่นแหละคือยังมีปัญญาพอจะพอจะไข่ควรตต่สรู้ได้เร็วได้ดีได้ได้สะดวกถ้าเกิน50ไปเป็นยังไงแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยเกิน50เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยวัยของปัญญาเห็นเหตุของปัญญาครั้งนี้อันที่2ก็หมดประการที่3เหตุใกล้ของปัญญาก็คือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทาอุทะจักขุกุจาวิจิกจักกิเลสไม่ค่อยกุ้มลุมอะราคะโทสะโมหะไม่ค่อยกุ้มรุมเราเป็นพวกกิเลสบางไหม บางปุ๊บแม่พอฟังพระธรรมในดีกว่าฟังเพลงอ่ะหรือว่าแม่น้อมเขาพระธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรเรื่องอื่นไม่ค่อยอยากจะสนใจสนใจแต่พระธรรมคาสอนพระเจ้าได้ยินคำพระพุทธโท้ขนลุกเลยดิยขนาดนั้นไหมนี่เขาเรียกกิเลสหนาใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เหตุใกล้ของปัญญาเพราะต้องถ้าเหตุใกล้ของปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีกิเลสเบาบางนี่3ประการนี่หลุดไปกับหมดแล้วนะเนี่ยอภปรการต่อมาก็คืออะไรกันติเหตุกาปฏิสนธิในขณะเกิดนะ่ะความไม่โลภ ความไม่โกรธแล้วมีปัญญามาในขณะเกิดใช่ไหมในคำสอนในคำพีสั่งยุทธท่านว่างท่านบอกสีเลปฏิท t h y r โรสปัญโ s จิตตังปัญ ญ, ญัจ่าภาวยังอาตาปีนิปโกพิคุโสอิมังวิชัตเตเยชะตันตินี่เป็นคาถาแรกของคำพีวิสุธิมารคเลยบอกว่านรชนใช่ไหมรชนผู้มีปัญญานระคือบุคคลผู้มีปัญญา คือบุคคลที่เกิดมาปฏิสนธิมาครั้งแรกด้วยปัญญาคือด้วยด้วยเหตุสามด้วยความไม่โลภด้วยความไม่โกรธด้วยปัญญาตั้งมั่นในปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์ตั้งมั่นในศีลสีประการคือปาฏิโมกข์สังวรศีลอินเดียสังวรศีลอชีวะปริสุทธิศีลปัจยญาสันนิสิตศีลศีลสีประการเนี่ยนะได้สมาบัตแ8จเจริญวิปัสสนาพ้นทุกข์ได้แล้วก็รู้แล้วจริงๆเนี่ย เ, เ, เหตุสาเนี่ยเราสักกระปุกกระเปียเราใช่ไหมจ๊ะ ไม่แน่ใจแล้วว่าเกิดมานะั้นมีปัญญามาขณะเกิดหรือเปล่าศึกษาอะไรปุ๊บนี่ฟังว่าทำบทเดียวนี่กระจายฟุบเลยไหมสว่างเหมือนกระจุดประทีปในใจ 100, 000, 000, 000, 000, ร้อยพันพันดวงร้อยดวงไหมหรือว่าฟังหนึ่งบทปุ๊บมันดับไปหมดอนะไรเงี้ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าปัญญาใช่ไหมเขตปัญญาสี่อย่างหายไปหมดเลยเนะหลืออย่างเดียวโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยอุบายแยบคลาย ตั้งโยนิโสมนสสิการให้ชัดโยนิโสมนสสิการจะเกิดขึ้นจากการอะไรฟังภระสัตธรรมฟังภระสัตธรรมฉะนั้นอะไรเป็นภาษสัตธรรมน่ะไขว้คว้าฟังเขาไว้จะได้เหตุใกล้ของปัญญาหนึ่งเหตุคือโยนิโสมนัสสิการเพราะเหตุอื่นชักจะด่าหาที่พึ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ตรงนี้เท่านั้นแหละตอนนี้อย่างอื่นท่านทั้งหลายจะแก้ไขายากแล้วถ้าทําโยนิโสมนสิการให้ชัดใช่ไหมแล้วต่อไปจะได้รวบรวมสมาธิตั้งมั่นได้จะได้สองเหตุแ ล, แล้วตอนนี้ ไอ้ส่วนปัญญาถ้าสกาวัยมาไม่ทันแล้วใช่ไหมมันเกินไวแล้วเนี่ยนะแล้วกิเลสต่อไปก็จะเบาบางก็จะเพิ่มอีก1เหตุเป็น3เหตุต่อไปปัญญาก็จะหนาแ น, น่นปัญญาอีกกิเลสก็จะเบาบางดีไหมจะเพิ่ม3มเหตุเราก็มีโอกาสไหมมีโอกาสไม่บรรลุชาตินี้ก็ชาติหน้าชาติหน้าก็ชาติต่อๆไปเนี่ยนะตัง้งตั้งอย่างเงี้ยก็ตั้งแบบนี้นะจะพลาดคิดทุกวนันวันนี้ก็ต้องบรรลุพรุ่งนี้ก็ต้องบรรลุก็คิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้ยขอให้บน่นขอให้ถึงความเพื่นทุกในนาคตการเบื้องหน้านุาน่น หวังแต่อนาคตไปใช่ไหมปัจจุบันอยู่ก็ไม่ขาดเก่าแล้วตรงนี้ท่านบอกว่าบริจาคอวัยวะในชีวิตในชาติกันดานใช่ไหมคําว่ากันดานเนี่ยงั้นสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้เรากําลังเดินอยู่ในชาติกันดานไหมชรากันดานปยาทีกันดานมรณะการดานโอยกันดานตลอดเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้กันดานภายนอกก็เยอะหมดไหมอุทกับภัยก็การดานแล้วนะตอนนี้ ใช่ไหมวาตาพายูทอกตาพายอัคคีพายภัยทั้งนั้นภายภายในก็เต็มไปหมดใช่ไหมทั้งภายนอกภายในลุมเรามาขนาดนี้ชีวิตจะอยู่ยังไงไม่มีทางอยู่ได้ถ้าไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งก็จบเลยชีวิตเอาไปสิวิ่งแวงวุ่งวุ่นบ่ที่ส่วนจริงก็ไปจบตรงจุติขนาดแล้วก็ไปยกขึ้นมาใหม่ในขนาดปัจจุบนี้ก็แบกต่อปะแต่จะอยู่ในอัตภาพไหนจะอยู่ในอัตภาพไหนตรงนี้ก็คือว่าบริจาคบำเพ็ญบารมีสิบนะ อุปาป a r a ีสิปรมัตถบารมีสิ บ, บ, สบที่ท่านกล่าวว่าบําเพ็ญทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมะบรารมีปัญญาบรารมีวิรยิยะคันติสาจาัจจะธิฏฐานเะมตตาและเวขาบรารมีและเจริญโพธิปกักคิยธรรมบารมีสิบเนี่ยจะมาหนุนโพธิปักกิยธรรมคือจะมาหนุนสติปฐานสมนปัติทานอิทธิบาทอินเสียงหพาราห้พวชงเจ็และอริย ม, มัคยองแปดเนะี่ยมัคยองแปดจากโลกิยะโพธิปักกิยธรรม37จะไปประชุมในมัค จนหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นผ้มามหาบุรุษบำเพ็ญโพธิสมภารอย่างนี้และก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันบริสุทธิ์แล้วซึ่งได้พุทธคุณทั้งสิน้นทรงบรรลุ ค, ความเป็นผู้เจริญและผู้ประเสริฐที่สุดในโลกธาตุทั้ง3นะพระบระมศาสดานี่ประเสริฐที่สุดในการมาธาตุรูปธาตุและรูปธาตุในในกาลมาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินะทรงยางทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นของพระองค์ให้สิ้นไปแล้วเห็นไหม ถามว่าต่อไปในพระ อ, องค์เนี่ยวัตทุก์ไอ้คําวัตตะเนี่ยวัตตะวัตตะคํานี้เขาเป็นชื่อของขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นไปตลอดสายเนี่ย เ, ยเขาเรียกว่าวัตตะถ้าสรุปอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าข้อมูลไม่ค่อยแข็งแรงพอไปนะบางครั้งอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงบางท่านแข็งแรงก็อาจจ ะ, จะเยอะถ้าพูดถึงแค่วัตตะเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าคืออะไรเลยเนียบอกว่า การเกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นตามลำดับของขันธ์ธาตุอายตนาอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าตะเราเอีอะไรการเกิดขึ้นสืบต่อของขันธ์ธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อตลอดสายเรียกว่าตะก็คืออย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นขันธ์ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อตลอดสายเลยใช่ไหมแล้วมันย้อมขาดอย่างถาวรถ้าใครคิดว่าขาดอย่างถาวรโดยไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยใดๆอันนี้เขาเรียกอุเฉททิฐิถ้าใครคิดว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเที่ยงแท้อย่างแน่นอนเขาเรียกว่าสัตสตาทิถิมันเห็นผิดอย่างนี้สัตว์เนี่ยสัตว์เป็นสองกลุ่มไงถ้ากลุ่มจัดแบบนี้เป็นสัตสตาทิถิเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเที่ยงนี่กลุ่มหนึ่งส่วนอุดเฉททิถิเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันดับแล้วมันขาดศูนย์ใช่ไหมเห็นผิดทั้งคู่เรียกมิจฉาทิฐิแต่เพราะความจริงเป็นยังไงแท้จริงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ได้มันเกิดดับสืบต่อกันจร แต่มันไม่ได้จบลงที่จุติกะนะันนมันมีกระแสะกรรมที่ทําใหม่ตลอดและกระแสะกรรมตรงนี้แหละมันทําให้ขันธาตุอายตนะมันไม่ขาดทำให้มันดับแล้วก็ต้องกรรมก็ทําให้เกิดใหม่อยู่อย่างเงี้ยและมันก็ไม่หมดสิ้นเป็นถามบอกว่าเราอยู่ในปัจจุบันนะพบเราทํากรรมทุกขณะจิตไหมทำทุกขณะจิตแล้วที่ทํามาแล้วนับไม่ถ้วนเอสิกระแสะกรรมเหล่านี้มันก็ให้วิบากต่อไปอย่างยาวไกลเลยตรงนี้ถึงบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องชดใช้กรรม เป็นความคิดผิดผิดมากๆ